นโมักภควาโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธะนโมจตจักภควาโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธะนโมจตจักภควาโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธะกุศลาธรรมากุศลธรรมาอภตตาธมาตี ในโอกาสวันนี้อาจจะมาภาพจะสแสดงพระสุธรรมเทศนาในธรรมมีกฐานในวันสงกรานต์เพื่อเป็ทรงคุณสมบัติทรงองคต้าบารมีที่บรรดาพระราฐานบดีทั้งหลายได้พร้อมกันใจมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันสาคัญเป็นวันทีข่ทขึ้นปีใหม่โบ ร, ราณของไทยในวันนี้ วันนี้จริงๆรงตรงกับวันที่13เมษายน2535เป็นวันจรรันทร์เึรื่องเสกข้ามเดือนห้าธรรมดาเป็นผู้โัยปรายโดยต้นหน้าที่มามาเป็นอุ้ชนบุญญาสีในวันนี้ต่างคนต่างตั้งใจทําความดีความดีก็คือบุญบุญแปลตรงสัตว์แปลว่าความดีถ้าบาปก็แปลว่าความชั่ว บุญที่บรรดาเป็นพุทธบรสษัทหลายที่ได้ในวันนี้คือรัตเจตตอนเยนวานหลายคนด้วยกันพากันไปก่อพระเจดีทรายการก่อพระเจดีทรายในบรรดาเป็นพุทธบรสษัทหลายทางโบราณอาจารย์มีความรู้สึกว่าการเดินเข้าวัดมีดินบ้างมีทรายบ้างมีหินบ้างสีเท้าออกจากวัดเป็นการบาปแต่คฟังจียงไม่บาป ในเวลาถึงหนึ่งตียัะพากำ น, นำทรายเข้าวัดก่อไปเจดีทรายคำว่าเจดีนี่เป็นความหมายแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อ ก, ก่อแล้วต่างคนต่างก็เพียนปัก บ, บ้างอาทุบ ป, ปัก บ, บ้างเอาทง ป, ปัก บ, บ้างเทาทํปปบบา ก, ก, การบูชาการบูชาเจดีทรายก็หมาย ถ, ถึงบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่นเองเป็นอันนี้สองใหญ่ จัดว่าเป so ็นกรรมฐานสาคัญในพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าในฐานะบุคคลใดนึกถึงไว้เสมอเสมอเพื่อก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าชรางกลางคืนอวลาเวลาบุษราพนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวัน ถึงแมว่าจะวันหนึ่งมีเวลาไม่มากสักสองสามนาทีก็ตามอย่างนี้ถือว่าบรรดาท่านพุทธบุตรสัตว์นายขณะที่จิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือ่าเวลานั้นจิตว่างใจ ก, กิเลสมีอันิสงส์ใหญ่ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยปรมศัตรย์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใต่งภาษาลิบุตรว่าสารีบุ ต, ตรตะตก่อนสารีบุตรผู้คนใดมีจิดว่างใากกิเลสวันหนึ่งสักช่วขณะจิตหนึ่ง เราเขากล่าวว่าบุคคลนั้นมีไม่ว่างจากชานการที่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าวัดเล็กวัดน้อยก็าตามแต่ถึงเวลาจะตายจริงๆบรรดาท่าพุทธบริษัทชัยยิ้งถ้าทัานนึกถึงทุกวันนะเอาก็ทุกวันวันหนึ่งไม่มากก่อนจะหลับชื่อสะถึงหมอนนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธใจใจออกนึกว่าโธ เวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ต้องลุกจากติดนอนไม่ต้องนั่งเพร่ะนายกใจเข้านึกคิดใจออกทักข์โหอย่างนี้จะสองสามครั้งแล้วก็ไปทำงานอย่างนี้ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ทรงฌานทุกวันเมื่อก่อนจะหลับถ้าภาวนาอยู่ถ้าจิตจิตกระใจไม่สงบที่ฌานจิตจะไม่หลับเมื่อทําอย่างนี้เป็นอาจินตกรรมก่อนจะตายบรรดาจะพุทโธสับสนหลาย ทุกคนถ้าหาว่าป่วยมากขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นเทวดาจะไม่เห็นหนางฟ้านำรถทิพรับแสดงว่าการนั้นยังไม่ตายถ้าเวลาไหนจะป่วยลกไปถึงแม้ว่าจะไม่มากเห็นเทวดาเห็นนางฟ้านำรถทิพย์นำรถทิพมารับแสดงว่ากานั้นตายแต่ความตายของข่านจะไม่ใช่เครื่องสะดุ้งใจเขาบุคคลที่ตายเพราะทุกเวทนาใดๆที่มีเลยกายก่อน ภาพรางก็ว่าเห็นเทวดาก็ดีเห็นนางฟ้าก็ดีนางรถขึ้นมารับจิตใจจะไม่สนใจกับร่างกายจะสนใจกับความไปที่ผู้เรวดาหรืนาวฟ้าถ้าเทวดากับนางฟ้าก็จะชักชวนว่าฉันอยู่ชั้นนั้นฉันอยู่ชั้นนี้ไปกับชั้นเถิดจิตใจก็เพื่อเปลี่ยนกระแสของนาวฟ้าเทวดาบทความรู้สึกในทุกเวทนาตายแล้วก็ไปสวรรค์ตันเสียต้องการจะไป นี่เป็นตัวอย่างสำหรับบุคคลหลายที่ br ตั้งใจขององค์ดองพระพุทธเจ้าใจบริวรสดาเช่นมาตกุณารีเทพบระมุตมาตยุนารีเทพบุตคนนี้ความจริงในสมัยที่เป ah, CN, ็นมนุษย <fun> ์เขาไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าทั้งนี้พ่อเขาเป็นพราหมณ์เป็นพระาม์ด้วยเป็นพราาม์ที่สอยคนอื่นด้วยเป็นคณาจารย์เขาถือว่าเขาก็เป็นคณาจารย์คณะหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดทีหลังเขาไม่มีความเคารพ แต่ความจริงบ้านนี้เป็นมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านทุกวันเวลาบินธบัติแม้จะมายกมือไหวก็เป็นดีการใส่บายก็ไม่เคยฟังเทศก็ไม่เคยทำต่อมาลูกชายคนเดียวของเขาคือพระเจ้าบุตรีเกิดป่วยหนักสาหรับพ่อกับแม่เป็นคนทีดเดียวเวลาลูกป่วยจะซื้อยามารักษาลูกเรยวเสียเยอะเกินเสียจะเสียเงินมาก จะหาหมอมารักษาก็เก่งว่าอยากเสียเงินมากจะไปถามหมอว่าโรคชนิดที่โรคของเหลืองรกษาด้วยโรคอะไรและยาอะไรเขาก็บอกยากลาง บ, บ้านให้แต่ก็มาเจ็บสมุนไพรในป่ารักษาเท่าไรลูกชายก็ซุบตัวลงมาทุกทีในที่สุดสองตายยายนี้ก็เล่าความู้สึสิว่าเวลาเดียลูกชายของเรานอนป่อยในห้องทีเป็นสิริค ม, มีทรัพย์สมบัติประดับประดามาก ถ้าบาังเอิญญาต์ลกเข่าเข้ามาเยี่ยมเขาเข้ามาเยี่ยมบมดใจใหขอในดีในราคาเขาจะขอเป็นใจจะต้องให้เขาเลือกเสียดายในขอในยกลูกชายมานอนที่ชั้นที่ระเบียงบ้านให้นอนอยู่ข้างนอกต่อมามัจจุบันรีขึ้นเป็นลูกชายก็มีความรู้สึกว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทั้งสองคนนี้ไม่เป็นที่พึ่งของเรา แม้แต่สมบัติที่เป็นมหาถตีก็เป็นเดียวกับเราตามข่าวเขาเรื่องว่าพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้า <c oughs> มีความเมตตา ม, มากไม่ว่ากับใครที่เวลานั้นจิตใจเขาจึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามากสาหายโรคข้อพอดีตอนเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอานนท์เดินผ่านได้เขาก็ดีอรงพุทธองค์เห็นว่าเขาหันหน้าเขา้าฝาเรือน จึงเป็นงสัพพะจัลองเสียในปลายกดกับตาของเขาเขาแปกใจในเสียในแสงที่ปรายกดจึงหันหน้ามาดูเห็นองค์สมเด็จพระบรมรสกุก็บอาโดนเดินบำบาต์จึงนึกในใจว่าเวลานี้เขาโอ๋สมเด็จพระบรมกนาคคือพระพุทธเจ้าจงมาโปรดเราให้หายจากโรคแต่ความเพียงท่านโปรดไม้กันไม่นปดเรหายจากโรคในที่สุดเขาก็ตายตายจากความเป็นคนพระอาศัยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญไม่จะนิดเดียว เชือว่ามีสงฆ์ใหญ่ก็ไปเกิดเปเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกเทวโลกมีวิมานทองคาเป็นวิมานเป็นที่ทอยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารมีร บ, บ, รบรรดาท่านพระตวาริสัตวทุกท่านถ้าทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันผลที่สุดจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกขั้นดีกว่ามัจจุบนดีที่ปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านคารมพระพุทธเจ้ามาก่อน พระพุทธตจ้าก่อนพระพุทธสงฆ์ก่อนเคยให้ชายเคยมาทานสิ้นเคยฟังเทศโดยเจะเป็นภาวนาอในสงฆ์มากกว่าพระเจ้ากุนารีไม่จะบุตรมาและต่อมาพระเจ้ากุนารีเทพบุตระฟังเทศจาพเจ้าจบเดียวป เ, นะนนเป็นเทวดานะในขณะที่เขาเป็นเทวดาอยู่ฟังเทศจากพระเจ้าอีกจบเดียวเขาก็ได้เป็นพระโสดาบันเวลานี้ก็ยังเป็นพระเทวดาพระุสดาบันบนสวรรค์าชาติดาวเดวาสุดเทวโลกนี่พูดกัถึงเรื่องต้น ถ้าราได้ประมวลวัสดุกันดานาหลายจะคงได้วันนี้มีมากขึ้นหนึ่งการสร้างจรีดทรายสองถวายไทยแก่พระสงฆ์สามาำาทานศีลสี่ฟังไม่ทำมเรตนาพระองค์สมลแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วห้าฟังบทมาดีกาหวิธีทำจิตจังพีการฟังวิธีทำจิจังีที่เมร่สงมากกวนนันดาเจาาพรทุยสัตว์เวลาฟังให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ เมื่อวันกวนพระ ก, ก่อนไปเ ท, ทิข้างไว้ตอนหนึ่งนะยังง่ะจำได้ไหมได้เลยมาไหว้ฟังนิ้วันที่ก็ขอตอนไปต่อไปตอนที่สองวันนั้นปรากฏว่าเทพถึงเรื่องข้างคาวห้าร้อยตัวนอนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งค้ามันนอนข้างค า, า, าวคือเท้าก็อโอ้ห้อยถ้าพุทธกาัตริย ทรงเทศอภิธรรมสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจําได้แล้วก็ทายกันไปซักซ้มนเพื่อสวดสวดซ้ำซ้ำกันซักซ้มเพื่อความขึ้นใจเสม อ, อเป็นบเป็นบท ป, ปฏิบัติทั้งค่า500วห้าร้อยคนนั้นฟังเพลินเขาไม่รู้พระสวดเป็นะเขาไม่รู้เรืเสียงพระธรรมแต่ว่ามีความพอใจในเสียงฟังเพลินไปในยี่สุดก็เท้าหลุดจากเพดาน เพคนมาตายทั้งห้าร้อยตัวเมื่อตายจากความเป็นข้างคราวแล้วก็จะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันแตถึงเป็เทวดาโลกทั้งห้าร้อยเหมือนกันแต่บังเอิญเป็นเทวดาตัวผู้ทั้งหมดใช่วม่เจงานถ้าบุตรพระบริกนะเมื่อพระเจ้าตัดหน้าขึ้นมาในโลกเธอก็มาเกิดเป็นลูกชาวประมงให้ชาวประมงนี่ต้องหาปลากินทุกวันทําบาปส่วนบาปก็เป็นบาปส่วนบุญก็เป็นบุญ ต่อมามาืเด็กชายทั้งหลายท่านโตขึ้นมีความเลื่อมใสในระษาดีบุตรนบุญเข้าสนองใจญาติโยมฟังแล้วก็จาไว้อยูอ่ยนะว่าคนทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วที่ไม่ทําแต่ความดีอย่างเดียวทําความชั่วด้วยแต่คนที่ทําความชั่วเข้าไปเลยทําความชั่วแต่เดียวทําความดีด้วยแล้วผสมกันทันทีเวลารับผลถ้าเกิดมาเป็นคนใหม่จะรับผลว่าสองรักร่วมกัน ผลของความดีคือบุญให้ผลมีความสุขอย่างผลงทานเป็นปใจใัจจัยเกิดมีสมบัติมากหรือน้อยแวก็ตามกําลังของทานผลของศีลทำใหมีร่างกายรูปร่างหน้าตาเป็นคนผลของการภานารู้การสังเสดให้เหตุเป็นเหตที่เกิดปัญญาแต่ว่าการเกิดมาจะมีปัญญาไม่เสมอกันไม่ขออธิบายเล่าเรื่องต่อไป <c oughs> ต่อมาก็เขาบทในสำหนักของภาษาที่บทเวลานั้นพอดีพระพุทธเจ้า ไปเทศโปรดพุทธมารดาพอดีข้าในตอนเช้าองค์สมเด็จตินสีก็ลงมาเป็นตบัดสมเด็จมิตรก็ทธเจ้าแทนเหมือนพระองค์ทุกอย่างเทศต่อพระต้องเทศทุกสามเดือนมนุษย์วันหนึ่งพระเจ้าสทราบว่าวันนี้ท่อ า, า, าสาวกขึรู้สึกว่าสายที่หมดต้งหมดทั้งห้ารคนที่อดีตเป็นข้างข่าวจะเป็นพระอาหันต์จะมาคอยภาษาที่หมดที่ปล่าจะปกครอี เมื่อวันพระศีกุตาธิบุตกลับมาจากปิณสบาตพึทธองค์แสดงโนร์มรรคกันได้ก็ะสงเรียกว่าสาธิบุตรักโดยก่อนสาธิบุตรเธอจุมานี่เมื่อวันศาลารีบุตเข้ามาใกล้แล้วก็บอกว่าวันนี้โลกสิษย์ของเธอทั้งหมดอาศัยที่เคยเป็นข้นข่าวฟังอภิธรรมมาเวลานี้บุญไม่เข้าสนองแล้ววันนี้มาเธอกลับไปแล้วจงมฉันข้าวเสร็จจงเรียกโลกศิษย์ของเธอเข้ามาประชุมกันทั้งหมด เจาเทศอารธรรมหัวข้อเจ็ดข้อให้ฟังพระเจ้ากระสมองอาริธรรมเจะเทศเป็นยางไรบ้างกระสมอกให้ทราบเมืเ่อเขาฟังเทศอารรรมจบก็จะไปศาลทั้ ง, ม ห, งมหมดภาษาญี่ปญญุ่ก็ทำตามนั้นก็เป็นตามนั้นประดานเพระทุกข์รว้ศักดิพระเจ้าห้ารอยองค์เป็นพระหลานทั้งหมดเมืเ่อเขาการฟังธรรมพอใจในเจ็ดบทอย่างที่เขาสดตอนกลางคืนถ้าเจ็ดบทตอนงคืนแล้วมาสวดตอนเช้าสองบทก็ถือว่าครบทวน พระบรนหมดแม่เป็นแม่บทที่เรียกว่ามาริกาในหัวข้อท่านนั้นในวันนั้นวันที่ข้างขาวห้าร้อยโจตายพระไปสสวนอิธรรมในในในถ้ก็ไม่มีแต่ข้างข่าวมีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าไรงานได้ <c oughs> ถ้าไปไหนไม่ไหวเหมือนกันนะต้องจูงแบบฉันนึ้นนะก็เป็นตังว่านอนฟังอยู่พระสดเจ็ดจบ แต่ว่างูเหลือแกลงหลืองแก่ได้ฟังชอบจบเดียวคือบทบัรจักรันธาเรียนขันห้าที่ทางยุติยาชอบโสรจากคนที่ยังโสจึงที่ยังคานินทียังเป็นต้นจากค้นที่ยังไม่พ อ, อการตาไม่พอกามเป็นใหญ่ในการดูโสจินที่ยังหูเป็นใหญ่ในการฟังคาลินทียังอบจมูกเป็นใหญ่ในการดมเสียงเป็นต้นใจชอบก็ลงใช้ ย, ยังยังยังเหมือนกันนะ ชอบบทเดียวต่อมาไม่ชาไม่นายงงเลอนั่นก็ตายตายจากความเป็นสัตว์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นเดียวไปถึงระเบิดวโลกทุกคนอย่าดูถูกผู้มิ่นสัตว์นะสัตว์โดยมากตายแล้วไม่ลงนรกเข้าไปใช้นี้หมดอย่างน้อยก็เกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นบนสวรรค์เป็เทวดาไปทางฟ้าบ้างพระบนเจ้าเมื่อเมื่อพระเจ้าทรงบัติขึงแล้วในโลกถ้าก่อนหน้าพระเจ้าบัติ ก็ลงมาเกิดเปนมนุษย์บวชเป็นอาเจรกคําว่าอาเจลกก็คือชีเปลยพวกนี้ไม่ต้ผ้าไม่ผมไม่ใส่เสื้อโดินแก่ผ้าเขาถือว่าเขาเป็นผู้ไม่กิ น, นทรัพย์สมบัติแต่ก็บางเอิญอาศัยที่เกคยฟังพระธรรมชอบใจจากคนที่อย่างเป็นต้นยังได้ชิปุญญาเมื่อเขาได้ชิพปุญญาวันหนึ่งพระเจ้าอโศกอหาราชยังเป็นเด็ก นั่งอยู่บนตักพ่อมันเด็กเล็กๆพ่อก็มีความรักในลูกอุ้มลูกไปอุ้มกลับ ม, มาลูกตายที่แตกบนตักฉันแม่เห็นท่าทางมาเดีย่ยมพาลูกไปอาบน้ําแล้วก็พาไปเดินหน้าหวังในลานนั้นอาเจยลูกจากผมที่ยังผล ม, ม, มาพอดีมาเห็นข้างเราแล้วก็มาเย็นมองดูมองดูเด็กชายนี้แม่แม่ของเด็กก็ถามพระไรกิานอก็ถาม ว่าพระคุณเจ้าดูเพื่ออะไรท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากแต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วต่อไปจะต้องฆ่าน้องชายสัางมันดาแปดสิบี่คนแล้วก็ถล่มราชสมบัติจะมีอำนานมากจะนับถือพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อกล่าวแล้วท่าเดินหลีกไปต่อมาอีกประมาณนานหลายสิบปีประมาณ 20, 000, 000, 000, 000, 000. ายี่สิบปีสิบเศษอาเจล็กคนนี้ก็อยู่ไกลจากเมืองหลวงประมาณร้อยโยชน์ พระเจ้าจสมงพระราชมุขราชจะมดาตายถ้ามีความดีมากเป็นที่ชอบใจทุกคบนบรรดาคุณาธนัยก็เฉยเให้เป็นธาตเอ่อเป็นพระราชาต่อมาบรรดาลูกต่างบรรดาแปดสิบสี่คนเห็นว่าทหารในวังมีน้อยทหารข้างนอกมีมากต่างคนต่างชิ้ตัวลากำลังจะแย่งทรัพย์สมบัติยกทัาเข้ามาล้อมวัง พระเจ้ า, จาสมฮานาดมีน้องชายที่ธรรมชินนาจึงถามน้องชายว่าเราจะสู้หรือรจะยอมน้องชายว่าถือในฐานะที่เราเป็นสัตย์กสัตว์แปลว่านักรบต้องสู้สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้จะตายก็ยอมตายจะยอมแพ้ไม่ได้ในที่สุดก็สู้ในฐานะที่านมีวุญญาติการมากก็จับน้องชายไปสืบคุณได้ท่านสั่งว่าหายชีวิตทั้งหมดแต่ตั้งแตั้นก็ถือเอาหลักสมบัติต่อไป หลังจากนั้นมาไม่กี่วันถึหรือว่าอเหตุการณ์ยรรรามมาอย่างนี้เคยมีใครรู้มาก่อนบ้างต้องถามมารดาว่าเหตุการณ์ใหญ่อย่างนี้เคยมีใครพยากรณ์บางไห้มารดาก็บอกว่าไม่ก็เล่าความยอ้อนไปหลังให้ฟังว่ามันในสัปาหที่มารดาพาไปเดินรอบวังท่านก็ถามว่าอาจารย์โอ้นั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนมารดาก็บอกว่าอาจารย์โอ้นั้นเวลานี้อยู่ใกลจากเมืองหลวงประมาณร้อยโยชน์ ท่านจึงส่งคันหามคือกระบวนแห่ไปรับส่งคันหามไปด้วยของกองเกยีกยรติยศหรือจะไปรับมาเพื่อจะบูชาไปด้านาย์อาจารย์อาเียลกเวรนั้นก็แก่แล้วเมื่อผ่านเมื่อคันหามผ่านมาผ่านวัดของพุทธศาสนาอเอ่เอิญพระเจ้าวาัดวัดนั้นเป็นพระสารีสพิทยายาน เขาก็มีความรู้สึกในใจว่าพระนงผ่าไม่มีพระราชาเคารพนับถือไม่มารับอย่างเราเรา เ, ราเป็นพระแก่ผ่าพระราชามารับแสดงว่าเราไี่ยิ่งใหญ่กว่าพระนงผ่าเสงาปวดไหมลนะ่ะแก่ผ่าไปเป็นงผ่านะแก่แก้คนเดียวฉันไม่เอาเลยนะก <c oughs> ็บอกให้คันหามวางก่อนบอกกระบวนกายึดวางก่อนค่อยไปเดี๋ยวหนึ่ง เรามีจิตธุระที่จะที่จะคุยพระวัดนี้ใครจะเข้าไปโอดเมื mm ่อคานหามวางเข mm hmm. ้าไปแล้ว mm hmm. ก็เข้าไปในวัดในวัดนั้นก็มีของแปลกขึ้บนบรรดาสัตว์หลายมีมากสัตว์ที่เป็นศัตรูกันต่างไม่ทําร้ายกันเสือก็ดีควานก็ดีกันแม้แล้วระหว่าสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันไจะดีมากเขาเข้าไปในวัดท้าเจ้าว่าออกมาลับที่หน้าประตู เมื่อเขาก็ไปแล้วก็ถามสัตว์ต่างว่าที่ตัวอะไรที่ตัวอะไรที่ตัวอะไรเมื่อถามทุกตัวพระก็ตับว่าไอ้ตัวที่เชื่อญาตนะถามตัวน้องท่านบอกตัวที่เชื่อญาตนณะถามตัวนี้ท่านบอกเชื่อตัวนี้เชื่อญาตนณะถ้าท่านถามว่าแกหรือไม่ญาตนะะล้วหรือก็ตัวนี้ของเก่าเท่านั้นคือจากสนที่ยางสานินที่ยังเป็นญาตนณะถามว่าเธอหนึิงของเก่าแล้วหรือเพียงเท่านี้ความดีก็ปรากฏ รุ่นเก่าเข้ากัน้องการฟังพระยวิธรรมปรากฏว่าความเป็นประโสดาบันเกิดขึ้นตอนี้รู้เกิดความอายที่จะหายนะนั่งพับเพียบอาขาทับหน้าไว้หน้าหน้าอะไรนะเอาขาทับหน้าที่ไม่เคยเห็นหนะนั่งพับเพียบอาขาทับหน้าไว้พระเห็นใจเย็นเดินโยนสมองให้หนงฝืนฮัจยนให้หนึ่งฝืนในที่สุด เขาก็บอกว่าประเดี๋ยวก่อนครับผมก็องไปบอกกระบวนเจติเยอะก่อนให้เข้าไปก่อนพราะจะไปทีหลังพอกลับออกมาจากวัดบอกขบวนเจติเยอะบอกว่าฉันยังมีภาระไม่เสร็จเธอไปก่อนกับคุณพระราชาทรงทราบว่าฉันเสร็จจิตอะไรจะไปไมน่น้นแล้วกลับเข้ามาใหม่พระองค์นั้นจะว่างประเทศให้ั่งอีกจบหนึ่งปราก่อว่าเขาเป็นพระอ า, าราจักผลเป็นพระ ญ, ญาณบุคคลในวัฏฏสัสนา พุทธบรนดาลญโยวตุวิสัตถ์ทัลายโดยทนหนาวัยนี้สมารเพียเจ็มทีนะมันเพียเจ็มทีตาก็ไม่ก็อยจะลืมแรงก็ไม่มีการฟังเมตธรรมชุดแรกฟังชอบใจทั้งเจ็ดบทฟังแท้จบเดียวเป็นพระอรหันต์ถ้าคนนี้ฟังสหรัมกูเรียนนี่ชอบบทเดียวคือจากขุนที่ยังโซจินทียังขานทียังเป็นต้นที่จะแปลว่าอจตนะ ฟังแค่จบเดียวฟังแล้วพอฟังพอเข้ามาพักเตินหน่อยเดียวว่าอันนี้คืออายตนะบึ้งเก่าเข้าสนอ ง, นองทันทีว่าเวลาท่้นคนกิบุญสนองแล้วถ้าบุญไม่เข้าสนอ ง, นองเขาก็ไม่สามารถจะเข้าวัดได้เลยไปเมื่อผ่านหน้าวัดบุญเข้าสนอ ง, นองใจคิดว่าเราจะต้องคุยกับพระจะอดพระเข้ามาก็จะพระอรหันต์พอดีไมพระอรหันต์ก็เป็นไ ป, น ป, นปนสมิธา ย, ยาน อาหารเป็สมัมทธายาในซ่อน ใ, อใจท่านไม่ได้หมายความความรู้สึกในใจที่เรามีอย่างไงจะกินไรคนก็าตามผ้าผ้าหลังด้วยสัมพัทายาต้องการจะรู้จะรู้ได้ทันทีทั้งหมดตเ ว, ว่าะซ่อนใจไม่ได้บุญเก่ามีอะไรบ้างบุญใหม่มีอะไรบ้างบุญอะไรสำคัญพระหลัาาท่านรู้เฉพาะไปสมัมพัทายาณ น, นะแต่ถ้าพระหลัม่สัมพทธายาณนั้นทราบว่า จตเจลกคนนี้ตายจากความเป็นเป็นงูเหลือยมแล้วก็ไปเกิดเปรตเทวดาลงมาจากเทวดาพระศัสนายังไม่ปรากฏยังไม่มีก้อนโบสในสนักอจเจลกได้ทิพย์กุยายเพ้่ได้สองในวิชาสามโดยชาติได้ด้วยใต้ทิพย์กุยานด้วยฉะนั้นท่านจะบอกว้ตัวนี้คืออายตนะเมื่อกระทบของเก่าเข้าตัวนี้บุญเก่าก็เกิดเขาเป็นปศดา บ, บันทันทีนี่เปใจของง่ายเลย ถ้าต่อมาจะฟังเทศกี่ครั้งหนึ่งคือพระพุทธเทศอศตาตนะนั่นเองคนมารจงคัณธาเทศจบบทท่ห้ก็ไปฟ้าสับสนอรดา ญ, ญาโยมพระเจาสามเจ้ชนวันนี้ทุกท่านฟังบทมาดิการคร บ, บท่านเมื่อคืนฟังอวิธังก็ฟังครบถ้าว่าท่านทั้งหลายยังไม้าสามารถจะไปนิพพานได้เพียงใดในชาตินี้ถ้าไปได้ก็ไปได้ไม่ห้ามนะต้องการให้ทุกคนไปนิพพานในชาตินี้ถ้าไม่เพา อ, อะไรก็หมดทุก ถ้าคึก อ, อยู่นานเท่าไหรมัปก็ทุกเท่านั้นถ้าตายเร็วเท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้นจะไปฆ่าตัวตายนะแต่้าพขางสมุนไม่ทนันเยอะเนี่ยเต็นสลากทำไม ง, ไง่ายเอาสกุนที่แคนมันเน่าเหมือนถึงอย่าไปฆ่าตัวตายรักษาบุญให้มากยิ่งอยู่นานวันเท่าไรบุญแล้วก็มากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยี่บรรดาแต่พระบริษสัจชาหญิงอย่าลืมพระไตรสนาคม คือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระอริยสงฆ์จ่การด้วสองอย่าเว้นการให้ทานการให้ทานให้แต่พอควรจงอย่าให้ถึงกับมีความทุกข์ยากาคนที่เพิ่งรับทายเข้ามาเรามีทรัพย์วแบักพอแบ่งได้เล็กน้อยเราก็แบ่งถ้าเรแบ่งแล้วเราจะอดอย่าแบ่งอย่าเพิ่งแบ่งมันจะเดือดร้อนทําแค่พอดีพอดีทําบุญน้อยแต่ว่ า, าทาไปทรงทานนั้นมีอายสงมากก็จะมีอายสง ในสงใหญ่เช่นวันนี้บรรดาท่านพุทธวิชชาทลายซื้อแกงบ้างซื้อกับบ้างซื้อข้าวบ้างมาถาวายกับบรรดาพระสงฆ์และธศาสนาบางคนก็ซื้อมากบางคนก็ซื้อน้อยแม้จะซื้อเสลงเดียวถาวายก็ไปวันนี้เป็นสังฆทานใหญ่มีในสงศ์ใหญ่ยาน้อยที่สุดถ้าไปเจอเป็นคนใหม่ก็เป็นมหาเศรษฐีถ้าตายจากชานี้ทัานทลายไม่ลืงคุณพระ ต, ตาจารยใจเราสามอาจารย์ ถ้าใบออบุญบทธรรมที่ท่านฟังไม่จะข้อใดข้อหนึ่งคําใดคำหนึ่งก็ตามท่านจะไปสวรรค์ทันทีหลังจากนี้ไปพระสิอัยก็ตรัสมาเพื่อพระทิ่อานตัดแล้วโดยความกี่จะที่อานในบท อ, อบธรรมเพียงแค่ทีเดียวก็สามารถรรุนแรงได้พระบรนดาล ญ, ญาติโยมผู้โดวสุขุไร้วางโดยเวลาหมดแล้วก็ขอุติปัรมเทศนาไว้วองคองจะมี ในที่สุดการระธรรมเทศนาเมื่อธรรมมาภาพขอตัางสัตยาดิฐานอ่างคุณประสีรัตน์ไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะในสังกรณะทั้งสามประการขอจงลงบรรดาในบรรดาในพุะธบดีัตทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลก็จงเจริญไม่ือจากตุวพรพิรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุบรราสุขภาพรับปริการหาปรารถนาเชียงใดขอได้สิ่งนั้นสงความปัญญารูปการ อาตมาทราบและภทางวิสัชนามายอติตปธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังกอบีเปรการัชนีย